จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ในสายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะยังประโยชน์สุขให้แก่จิตใจนำความร่มเย็นความสงบถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากน้อยก็ตาม ถ้าจิตใจได้ประพฤติได้บำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจจะอยู่เหนือความวุ่นวายความเดือดร้อนต่างๆเหมือนกับอยู่ภายในห้องปรับอากาศถึงแม้ภายนอกจะมีพายุมีอากาศที่ร้อนหรือมีฝนตกหนัก แต่ถ้าอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกใจของเราถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีบุญมีกุศลก็เท่ากับว่าเรามีเครื่องปรับอากาศภายในใจของเรา หรือมีที่หลกภัยภัยต่างๆอย่าไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้เลยถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามีความเมตตามีความการุณามีบุญดตาและมีอุเบกขานี่คือ เครื่องปรับอากาศของใจถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะใจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้มีการขึ้นมีการลงเป็นธรรมดา ในเรื่องของลาบยศสัรลเสริญสุขมีการเจริญลาบก็มีการเสรื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสรื่อมยศเป็นธรรมดามีสรนลเสริญก็มีนิทาเป็นธรรมดามีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดาใครก็ตามถ้าอยู่ในโลกนี้ต้องสัมผัสทั้ง คุณธรรมทั้งแปดประการนี้ด้วยกันคือเจริญลาบเสืิอมลาบเจริญยศเสืิมยศนิลสัลเสริ ญ, น, น, รญนินทาและสุขกับทุกคนฉลาดก็จะสัมผัสเฉยเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจคนโง่ก็จะสัมผัสแล้วก็ดีใจถ้าเป็นสิ่งที่ชอบเสียใจถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ ทั้งๆที sind, nicht, White, ่สิ่งนั Albert, ้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราชอบหรือให้เราเกลียดแต่เราไปชอบเขาเองเราไปเกลียดเขาเองถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ได้ดีใจถ้าเราไม่เกลียดเราก็ไม่เสียใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราที่ไปหลงชอบเขาหรือไปเกลียดเขาเท่านั้นเองคนฉลาดเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรน่าชอบหรือไม่มีอะไรน่าเกลียด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติออกมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาบุคคลสัตว์เดรัจฉานนี่มาจากดินน้ำลมไฟทั้งหมดร่างกายของคนก็มาจากดินน้ำลมไฟร่างกายของสุนัข ก, ก็มาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าภูเขาก็มาจากดินน้ำลมไฟ ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นดินน้าหลมไฟแต่พวกเราไปแยกแยะ ก, กันเอาเองว่านี่เป็นมนุษย์นี่เป็นเดรัจฉานนี่ดีนี่ไม่ดีนี่น่ารักนี่สวยงามนี่น่าเกลียดนี่น่ากลัวมันก็เป็นของอันเดียวกันแหละเช่นอาหารที่เรารับประทานเวลาอยู่ในจานเราก็ว่ามันน่าน่ารับประทาน พอมันออกมาจากร่างกายแล้วแล้วลก็บอกว่ามันไม่น่ารับประทานแล้วทั้งๆ ท, ที่มันก็เพิ่งออกมาจากร่างกายของเราแท้ๆมันอยู่ในร่างกายทำไมเราไม่ไปนะ่เราไม่ไปรังเกียจมันพอมันออกจากร่างกายแล้วเราก็ไปรังเกียจมันมันมีเหตุผลไหมถ้าอย่างงั้นเราก็ต้องรีดทุกอย่างที่มีอยู่ในลาไส้เราออกมาให้หมดถ้าเรารังเกียจมันแต่นี่เราเลือกรังเกียจเลือกชอบ แล้วก็เลยต้องเลือกรับกับความสุขรับกับความทุกข์เพราะเราไม่ทําใจให้เป็นกลางให้เป็นอุบเบกขาใจจะเป็นกลางเป็นอุบเบกขาได้ก็ต้องมีวิธีทําให้เป็นมีสองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งเราเรียกว่าสมาธิวิธีที่สองเราเรียกว่าปัญญาถ้าเรา ทำด้วยวิธีสมาธิก็จะเป็นอุเบขาชั่วคราวเวลาที่เรานั่งสมาธิเล่าใจเราสงบตอนนั้นใจเราก็ปล่อยวางไม่รักไม่ชังอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาเพราะใจอยู่ในสมาธิไม่ออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆแต่สมาธินี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมา พอออกมาแล้วก็ต้องมารับรู้เรื่องต่างๆก็ต้องถ้าไม่มีปัญญาใจก็จะไม่เป็นอุเบกขาพอเห็นอะไรที่ชอบก็ดีใจพอเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็เสียใจเวลาได้ยินเสียงสรรเสริญก็ดีใจเวลาได้ยินเสียงนินทาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะรักษาความเป็นอุเบกขา ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเช่นเสียงสรรเสริญกับเสียงนินทานี้มันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นเสียงเหมือนกันออกมาจากปากเหมือนกันเข้ามาในหูและรับรู้ที่ใจเหมือนกันมันก็เป็นเพียงเสียงเท่านั้นเอง แต่เราไปแยกแยะว่าเป็นสรรเสริญเป็นนินทาถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องถึงแม้เขาจะนินทาเราเราก็ไม่โกรธเช่นถ้ามีชาวต่างประเทศเขาพูดภาษาของเขาเขานินทาเราว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรากับยิ้มได้เรากับสบายใจไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจภาษาของเขาเรารู้ว่าเขานินทาเรา เราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะว่าเราหลงสมมุติเราหลงความหมายของเสียงแทนที่จะฟังเสียงว่าเป็นเพียงเสียงเรากลับไปแปลความหมายของเสียงว่าความหมายนี้ดีความหมายนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องมาสุขมาทุกข์กับการแปลความหมายของเราเอง ถ้าเราไม่อยากจะสุขไม่อยากจะทุกข์เราอยากจะอยู่เฉยๆไม่เดือดร้อนเราก็ต้องทําใจว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเสียงดีเสียงชั่วมันก็เป็นเป็นเสียงถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเสียงนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาเสียงนกร้องเวลาเสียงสุ น, นัขเหา่าเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร ทำไมเวลาเสียงคนนี้พอพูดขึ้นมาปั๊บเราจะต้องมีปฏิกิริยาทันทีถ้าเขาพูดแล้วเราชอบเราก็ดีใจขึ้นมาทันทีถ้าเขาพูดแล้วเราไม่ชอบเราก็เสียใจขึ้นมาทันทีใครเดือดร้อนคนที่ไปชอบคนที่ไปชังนี่แหละเป็นผู้เดือดร้อนแต่คนที่ไม่ชอบไม่ชังนี้จะเฉยเฉยจะเลือกชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นของคู่กันมันเป็นของเหมือนเหรียญสองด้านเสียงนี้ถ้าเราไปชอบด้านหนึ่งมันก็จะต้องชังอีกด้านถ้าเราไปชอบสรรเสริญเราก็ต้องไปชังนินทาและเวลาเสียงมันมามันก็จะมาทั้งสองอย่างมาทั้งสรรเสริญมาทั้งนินทาแต่ถ้าเราปล่อยวาง เราเพียงแต่รับรู้ว่าเป็นเสียงเฉยๆเท่านั้นไม่สนใจว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญหรือจะเป็นเสียงนินทาเราก็จะเป็นอุเบกขาได้เราจะไม่เดือดร้อนกับคำพูดของผู้อื่นผู้อื่นจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไม่ทำให้ใจของเราเดือดร้อนหรือว่าถ้าเขาไม่พูดแต่เขามาทุบตีทำร้ายร่างกายของเรา พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเขาเพียงทุบตีเราเขายัางไม่ฆ่าเราแล้วถ้าเกิดเขาฆ่าเราท่านก็บอกว่าคนเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาบางคนอยากจะตายแต่ยังไม่ตายก็ต้องไปจ้างให้คนอื่นเขาฆ่าให้คนที่เป็นโรคอย่างนี้บางทีต้องไปจ้างพยาบาลให้เขาช่วยฉีดยาให้ บางทีต้องเดินทางไปที่คลินิกที่เขาทาช่วยทำให้เราตายแต่นี่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเดินทางไปไหนมีคนเขามาทำให้กับเราเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ นี่คือวิธีที่พระพยทธเอาทรงสอนให้เราปล่อยวางให้ทำใจเป็นอุเบกขาเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ร่างกายเพียงแต่เป็นฝาแฝดมาอยู่ร่วมกันเท่านั้นเองเพียงแต่มีใจเป็นนายมีกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำสิ่งต่างๆ แต่มีสิ่งเดียวที่ใจไม่สามารถสั่งร่างกายได้ก็คือสั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายสั่งให้ทำอย่างอื่นได้สั่งให้เดินไปที่ตรงนั้นสั่งให้เดินมาที่ตรงนี้สั่งให้มาวัดสั่งให้ไปตามสถานที่ต่างๆสั่งได้แต่ไปสั่งไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายนี้สั่งไม่ได้ สั่งอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องเจ็บมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรกับมันทำไมต้องไปเดือดร้อนกับมันก็เพราะใจมีความหลงมีความมืดบอดหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเป็นไปด้วยแต่ความจริงใจไม่ได้เป็นอะไรใจเป็นผู้รู้ ใจเป็นผู้รับรู้เรื่องของร่างกายใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำใจเป็นผู้เลือกจะชอบเลือกจะชังเมื่อมีการเลือกที่จะรักที่จะชังก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรารักมันต้องเปลี่ยนไปเช่นเราเลือกที่จะรักร่างกายนี้พอร่างกายนี้มันเปลี่ยนไป เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเรารักคนนั้นคนนี้รักสามีรักภรรยาพอเขาแก่ลงไปหรือพอหน้าตาเขาไม่สวยงามเหมือนตอนที่เราพบเขาครั้งแรกเราก็จะกดเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องอย่ากันเพราะร่างกายนั้นมันเปลี่ยนไป จากสวยก็มาเป็นไม่สวยหรือจากการมีอาการครบ32มสก็มามีอาการไม่ครบ32หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความเบื่อขึ้นมาก็ต้องไปหาร่างกายของคนอื่นใหม่อย่าคนเก่าแล้วก็ไปหาร่างใหม่แล้วเดี๋ยวก็ไปเจอปัญหาเดิมอีกเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บ เขาก็ต้องตายเพราะร่างกายของคนทุกคนเป็นอย่างนี้คนฉลาดจึงไม่เอาร่างกายของใครทั้งนั้นอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวไม่ต้องมามาเสียใจเวลาคนที่เรารักเขาเปลี่ยนไปถ้าเกิดผิวเขาเกิดไปถูกไฟไหม้เข้าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาเป็นโรคมะเร็งต้องไปฉายแสงจนกระทั่ง ศีษะไม่มีผมอยู่บนศีรษะเราจะทำอย่างไรเรายังจะรักเขาเหมือนเดิมได้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราไม่คิดกันเราปล่อยให้ใจของเราทำอะไรไปตามอารมณ์ตามความหลงแล้วเราก็เลยต้องแบกความทุกข์ที่จะตามมานั่นเองพอพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามีอุเบกขา พยายามปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อะไรเพราะได้อะไรมาไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนไปของใหม่ก็ต้องกลายเป็นของเก่าไปของดีก็ต้องกลายเป็นของเสียไปพอเจอของเสียก็มีแต่ความลังเกียจมีแต่ความทุกข์ต้องก็ต้องพยายามหาแต่ของดีๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เสียมันก็เก่า ก็ต้องหาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่มีความสงบถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาถ้าใจไม่สงบก็จะไม่มีความสุขใจก็จะดิ้นรนอยู่เรื่อยๆไม่จะไม่พอใจกับสิ่งนั้นจะไม่พอใจกับสิ่งนี้ จะอยากได้สิ่งนั้นจะอยากมีสิ่งนี้สิ่งที่มีแล้วก็ไม่สนใจอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายจะหาความสุขไม่เจอแล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเขาเพราะความอยากของเรานี้ถ้ามันอยากมากๆมันจะไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต ขอให้ได้มีอำนาจมีวาสนาขอให้ร่ำให้รวยใครจะเดือดร้อนจากการจากความอยากของเรานี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสังคมของเราจึงอยู่ด้วยความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะใจของคนในสังคมนั้นมีความหลงไม่มีอุเบกขาไม่รู้จักปล่อยวางไม่ฉลาดไปหลง กับดินน้ำลมไฟว่าเป็นสิ่งวิเศษไปหลงกับก้อนหินว่าเป็นสิ่งวิเศษเห็นเพชรเพชรนี้มันก็เป็นเพียงก้อนหินเท่านั้นเองแต่ก็ไปหลงว่ามันเป็นสิ่งวิเศษให้ลิงมันลิงมันยังไม่เอาเลยให้กล้วยกับให้เพชรนี้ลิงมันจะเอาอะไรเพชรมันไม่เอาหรอกเพราะมันฉลาดมีแต่มนุษย์เราเนี่ยที่โง่ที่ไม่เอากล้วยไปเอาเพชร เพชรมันกินไม่ได้เวลาไปหลงอยู่ในป่าไปเจอเพชรกับไปเจอเกล้วยจะเอาอะไรคนฉลาดเขาก็ต้องเอากล้วยคนโง่ก็เอาเพชรเอาเพชรไปก็ตายเพรามอดตายกินไม่ได้นี่คือความหลงของพวกเราเราหลงสมมุติกันเราสมมุติว่าเพชรไม่มีราคาก็เลยเชื่อกันไปเราสมมุติว่ากระดาษที่พิม แล้วมีเลขร้อยเลขพันว่ามีราคาเท่านี้เท่านั้นเราก็แย่งกันฆ่ากันเพียงเพื่อกระดาษนี้เท่านั้นเองได้กระดาษมาก็เอาไปแลกสิ่งนั้นสิ่งนี้มามันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นมันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้เราวิเศษได้นั้นก็คือคุณงามความดีหรือบุญกุศลนี่เอง ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราพยายามสร้างกันให้มากๆบุญกุศลที่เราควรจะสร้างก็คือเมตตาการุณามุนิตาอุเบกขานี่เองมุนีอุเบกขาก็ได้แสดงให้ฟังแล้วว่าเป็นอย่างไรมุนิตาคืออะไรมุนิตาก็คือความยินดีในความเจริญในความสุขของผู้อื่นเวลามีใครเขามีความสุขเขามีความเจริญ ท่านบอกว่าให้แสดงความมุดิตาคือแสดงความยินดีชื่นชมกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นเขาถือว่าเป็นบุญของเขาเขาทำบุญมาเขาจึงได้รับผลดีเขาได้รับความสุขความเจริญอย่าไปอิจฉาริษยาเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารไปคนที่อิจฉาริษยานี้เป็นคนขาดทุน ไม่ได้กำไรต่อให้อิจฉาลิษยาอย่างไรคนที่เขาสุขเขาเจริญเขาก็จะสุขเขาเจริญของเขาอยู่นั่นแหละเป็นเพราะอำนาจของเหตุที่เขาทำมาไว้ความสุขความเจริญนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาเมื่อถึงเวลาที่บุญกุศลจะออกดอกออกผลให้เขาก็รับผลของเขาไป เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปอิจฉาไปลิษยาเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นคนไม่ดีไปแล้วก็เป็นคนทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุกินไม่ได้นอนไม่หลับอิจฉาริสยาเห็นคนอื่นเขาได้ดิบเขาได้ดีแล้วทนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วบางทีก็ถึงกับต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไป หาวิธีต่างๆที่จะทำร้ายผู้อื่นหาวิธีใส่ร้ายป้ายสีด้วยวิธีการต่างๆเอาเรื่องที่เป็นไม่เป็นเรื่องมาปั้นให้เป็นตัวขึ้นมาเอาน้ำมาปั้นให้เป็นตัวขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเขาโกรธเขาเกลียดเขาชังเพื่อจะได้ไม่มีใครให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเขาแต่ความจริงมันย่อมเป็นความจริงเสมอ ไปปั้นน้ำให้เป็นตัวไม่ได้มีคนไปกล่าวร้ายว่าพระพุทธเจ้าไปทำให้เขาทองมันก็ไม่เป็นความจริงความจริงมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของคนที่อยากจะเชื่อนี้มันก็ช่วยไม่ได้ใครก็อยากจะเชื่อเรื่องเหลวไหลมันก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่เล็อยู่ในใจของแต่ละคนคนที่เหลวไหลก็มักจะเชื่อแต่เรื่องที่เลวไหล คนที่มีเหตุมีผลคนที่มีหลักมีเกณฑ์ก็จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปเชื่อเพราะเขาพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าให้เชื่อต่อเมื่อเราได้พิสูจน์กับตัวเราแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงแต่เราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธเขาพูดอะไรมาเรารับฟังได้เขาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ เราก็ฟังได้แต่เราอยากไปเชื่อเราอยากไปปฏิเสธว่าไม่จริงหรือจริงถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปพูดได้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องพิสูจน์ดูก่อนเช่นเขาว่าเราถูกเขาว่าเราไปรักขโมยเงินมาห้าร้อยบาทแล้วเราเห็นเขาไปรักขโมยมาหรือเปล่าใช่มถ้าเรายังไม่เห็นเราจะไปบอกว่าเขารักขโมยมาได้อย่างไร มันต้องมีพิสูจน์ไม่อย่างั้นเขาจะมีสารไว้ทาไมไม่อย่างนั้นก็มีแต่การกล่าวร้ายกันได้ตลอดเวลาพอใครพูดอะไรก็ต้องเป็นถือว่าเป็นความจริงขึ้นมาทันทีเลยคนที่เชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนี้ก็เป็นเหมือนกระต่ายตื่นตูมเคยได้ยินได้ฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่ากระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วพอดีลูกตาลหล่นลงมา ตายก็ตกใจตื่นคิดว่าแผ่นดินแผ่นดินไหวก็เลยวิ่งสัตว์อื่นเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าแผ่นดินไหวโลกกำลังจะแตกสัตว์ตัวอื่นก็ตกใจเชื่อวิ่งตื่นตามกันไปหมดเลยจนวิ่งไปเจอราชสีพอเห็นราชสีราชสีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมา กระต่ตายก็บอกว่าเมื่อกี้นอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วแผ่นดินมันไหวขึ้นมาก็ตกใจกันราชสีห์ก็เลยบอกไหนไปดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแนะ้าก็เลยไปดูที่ใต้ต้นตาลไปพิสูจน์ดูว่าแผ่นดินมันไหวจริงหรือเปล่าก็เห็นมีลูกตาลอยู่ลูกหนึ่งหล่นลงมาราชสีห์ก็บอกมันแผ่นดินไหวที่ไหนมันเป็นเพียงลูกตาลที่หล่นลงมาเท่านั้นเองนี่คือ คนมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เขาว่าราชสีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตนั่นเองเคยเกิดเป็นราชสีแต่เป็นคนที่มีปัญญาคนที่ใช้เหตุใช่ผลไม่ใช่เป็นคนที่ตื่นมองคนใครเขาว่าอะไรดีก็เชื่อใครเขาว่าอะไรไม่ดีก็เชื่อไปหมดเช่นว่าเขาบอกว่าวันนี้เสาวห้าดีก็เชื่อทําบุญกันใหญ่ ถ้าเขาบอกว่าวันนี้ไม่ดีก็ไม่มีใครกล้าทำดุลกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เราจะเชื่ออย่างนี้กันเพราะเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนแล้ ว, ว่ากรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้พิสูจน์ได้ทำดีเดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้ ท, ทันทีได้ดี ท, ทันทีคือใจดีนั่นเอง เวลาทำดีแล้วใจมีความสุขใจดีเวลาทำชั่วใจมีความทุกข์ใจไม่ดีอย่างนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นได้ทันทีพระพุทธเจ้าบอกให้เชื่ออย่างนี้ให้เชื่อในสิ่งที่เราเห็นได้พิสูจน์ได้สิ่งที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ต้องรอเวลาไปก่อนรอเวลาจนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้แล้วเรา ถึงจะเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์นี่ก็คือเรื่องของโมดิตาเราเห็นคนเขามีความสุขความเจริญเขาได้ดีบได้ดีเราอย่าไปอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาแต่งงานกับคนที่เรารักเราก็ต้องทําใจคิดเสว่าคนนั้นไม่ใช่เป็นคู่ของเราก็แล้วกันถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาก็จะเป็นเขาก็ต้องอยู่กับเรา ถ้าเขาไม่อยู่กับเราเราก็ต้องถือว่าเขาไม่ใช่เป็นคู่ของเราเขาจะไปอยู่กับคนอื่นไปแต่งงานกับคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขานี่คือการทาใจไม่ให้มีอิจฉาริษยาเพราะถ้าเราไม่อิจฉาริษยาแล้วเราจะมีความสุขเวลาเรายินดีกับความสุขของผู้อื่นเราจะมีความสุขเช่นเวลาลูกเราหรือคนที่เรารักนี้ได้ดีได้ดี เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากใช่ไหมเพราะเรายินดีกับความความสุขความเจริญของผู้อื่นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีเรามีความยิงร้ายรังเกียจอยากจะให้เขามีแต่ความทุกข์อยากจะให้เขามีแต่ความเสื่อมเสียอย่างนี้ใจของเราก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความอาฆาตพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่น แล้วก็จะทําให้เราหาความสุขไม่ได้ต่อให้เรามีอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีมุทิตาแล้วเราจะมีความสุขทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีอะไรเราจะมีความสุขเพราะเราชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นถึงแม้ความสุขความเจริญนั้นจะเป็นการได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้อง มันก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองเราไม่ใช่เป็นคนเราไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราอย่าไปให้ให้กรรมให้เวรแก่ผู้อื่นเราควรที่จะให้มุติตาแก่ผู้อื่นถ้าเขาทำบาป ท, ทำกรรมทำชั่วเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของเราสัตว์ย่อมมีกรรมเป็นของของตน ทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ต้องไปให้เวรให้กรรมกับเขาไม่ต้องไปลงโทษเขาถึงเวลากรรมจะลงโทษให้เองทุกๆคนที่เกิดมานี้ก็มาเพราะผลบุญผลกรรมนี้เองเราจึงมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันมีความสวยงามไม่เท่ากันมีความร่ำรวยไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีสุขภาพไม่เท่ากัน มีอาการ32ไม่เท่ากันก็เพราะบุญกรรมนี่แหละเป็นผู้สร้างเรามาดังนั้นใครทำบาปทำกรรมไว้เราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาเดี๋ยวถึงเวลากรรมก็จะจัดการกับเขาเองถ้าเราไปจัดการกับเขาเราก็จะสร้างกรรมให้กับเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะโดนกรรมกลับมาจัดการกับเราเองอีกสู้อยู่เฉยๆเนะ่ยดีที่สุดคนที่ไม่ สร้างบุญสร้างกรรมนี้ก็จะไม่มีบุญไม่มีกรรมมาจัด ก, การจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาจองร้างจองผลาญถ้ารู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้ารู้จักทำใจให้มีมุดิตาใจก็จะไม่ไปทำบาปทำกรรมไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ผู้อื่นส่วนกรุณานี้ท่านแปลว่าความสงสาร เวลาเห็นผู้อื่นเดือดร้อนท่านก็สอนให้เราช่วยเหลือเขาตามอัตภาพของเราและของเขาเรามีความสามารถช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรก็ช่วยเหลือไปสิ่งที่เราควรช่วยเหลือก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาช่วยเหลือแล้วทำให้เขาฉลาดทำให้เขาดีขึ้นไม่ใช่ช่วยแล้วทำให้เขาเลวลงไป เช่นอย่าไปให้สุราเขาถ้าเขาอยากจะดื่มสุราแล้วมาขอสุราดืม่มอย่าไปให้สุราหรือขอเงินไปซื้อยาเสพติดซื้อบุหรี่อย่างนี้หรือเอาไปเล่นการพนันก็อย่าไปให้เขาเพราะนี่ไม่ได้เป็นการช่วยให้เขาดีขึ้นแต่จะช่วยทำให้เขาเลวลงไปแต่ถ้าเขามาขอขอให้ช่วยเหลือส่งให้เขาได้ร่ำเรียนให้มีความรู้ อย่างนี้ถ้าเราพอจะช่วยได้ก็ช่วยเขาไปเพราะช่วยให้เขามีความรู้แล้วเขาต่อไปจะช่วยตัวเองได้ดีกว่าให้อาหารเขากินเพราะให้อาหารเขากินวันนี้พอหมดแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะมาขอเราใหม่แต่ถ้าให้เขาไปเรียนให้มีวิชาความรู้ที่เขาสามารถที่จะทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาเองได้เขาต่อไปก็ไม่ต้องมาขอเราท่านสอนว่า อย่าให้ปลาสอนให้เขารู้จักหาปลาพอเขาหาปลาเป็นแล้วต่อไปเขาไม่ต้องมาขอปลาจากเราเขาจะหาเป็นดีไม่ดีเขากลับจะเอาปลามาให้เราซื้ออีกพอเพราะเขาหาได้มากกว่าที่เขาต้องการเขาก็จะสำนึกในบุญคุณของเราที่เราได้ช่วยเหลือเขาไว้แต่ในระยะสั้นถ้าจําเป็นยังที่จะต้องให้ข้าวให้เสื้อผ้า ให้อะไรเพราะเขาไม่มีจริงๆก็ต้องให้ไปแต่ในขณะเดียวกันก็ควรที่จะสอนให้เขารู้จักช่วยตัวเองให้เขาสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเขาเองได้ถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็จะมาพึ่งเราไปจนวันตายอย่างลูกของเรานี้ที่เราต้องส่งไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็เพื่อจะให้เขาได้มีวิชาความรู้ที่ต่อไปเขาจะได้มี ความสามารถที่จะไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาเองได้ถ้าเราไม่ส่งเขาไปโรงเรียนให้เขาอยู่กับเราเลิกกินกับเราอยากจะได้อะไรก็ขอเราไปเขาก็จะต้องขอเราไปจนมันตายแล้วถ้าเกิดเราตายไปก่อนแล้วเขาจะทํำยังไงเขาก็จะต้องกลายเป็นขอทานไปอย่างแน่นอนต่อให้เราทิ้งเงินไว้ให้มากน้อยเพียงไรก็ตามเงินทองที่ทิ้งไว้นี้ก็จะต้องหมดไปเพราะเขาหาไม่เป็น เขาใช้เป็นอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นต้องช่วยเหลือให้เขารู้จักช่วยตัวเองนี่คือการช่วยเหลือที่ดีที่สุดส่วนเมตตานิ้ท่านก็สอนว่าให้เรามีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นให้มองผู้อื่นเป็นเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะเราทุกคนนี้อยู่ในอยู่ในกองทุกข์ด้วยกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำร้ายกันความทุกข์ของแต่ละคนก็มากพออยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความทุกข์เพิ่มให้กับเขาเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับเขากับเราเขาก็เดือดร้อนเราก็สร้างเวรสร้างกรรมเราก็มีความไม่สบายใจมีแต่ความวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามีความเมตตาต่อกันเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เวลาเจอกันก็ไม่ต้องหวาดกลัวต่อกันละกันเพราะเรามีเมตตาต่อกันนี่คือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้มีอยู่ในจิตในใจเพราะจะทำให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีกับร่างกายของคนอื่นก็ดีกับทรัพย์สินของเราก็ดีกับทรัพย์สินของผู้อื่นก็ดีหรือกับโรกก็ดี มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่มาทำให้ใจของเรานั้นต้องวุ่นวายเพราะใจของเราไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองจึงขอฝากเรื่องการเจริญเมตตากรุณามมริตาอุเบกขานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป